بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الأنفال تيروديرم تون. ما س ب อ ا ت ปดา ن ์ที่ผ่านไปแล้วถืเป็นสุราหนในบรรดาสุรามะดีนีย์สุราที่ถกประทานลงมาที่มดีนะในหมวดว่าด้วยกฎหมาย กฎหมายของสงครามเพราะจากชื่อสุรานเนีอย L M F L ยิงกขาอ่านกันอ N N F L N F L นะแต่ว่าอ่านแบบหล a c k b e r r y เนี่ยมันก็มีอีกฝ่ายเป็น L M M F L บางบางธรรมดก็มีเขียนเปน ไปเขียนเป็นมอม้าไปเลยอัมแาลทไปเลยแต่จริงๆี่ยควรที่จะเขียนเป็นนอนหนูนะเอลแอนแฟลทะครับอย่างเนี้ยเขเขียน อ, ำอำัมอัมแฟลมาอัมแฟลแต่เวลอาอ่านเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตัวมีมีปะไม่มีตัวมีมไม่มีตัวมีมทาไมเขียนอัมแฟลทคืออยากจะบอกที่ไปที่มาก็หมายถึงว่า เขาเขียนตามหลักตะยูอ <cima> <here> we ีดไปหน่อยพราเดิมนี่อัอันอันแฟนแต่ตัวนูนที่มีสุกูลอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวฟามาแล้วก็มันก็จะมีอีกฟาเขาเรียกอีกฟาเชฟวีเนี่ยอัมอัมแฟนมันก็คล้ายๆตัวมีมไปหน่อยพอมาเขียนก็เลยเขียนเขียนตามอ่าน อ่านไม่ใช่ตามดามพิมมันนะไม่ใช่ตามอักษรมันก็เลยกลายเป็นเออเนี่ยซูร์เอลอ็มอมแฟลแต่ตอนอ่านเนี่อ่านตัวมีมชัดชัดไม่ใช่นะไม่ถูกต้องนะไม่ใช่อัมฟลนะอัมฟลลอมนดูบากผมนะอลอมฟล อันนี้จะอ่านตะยู่ินะแต่ถ้าจะอ่านตามตัวอักษรอย่างเดียวอันฟ้าลไปเลยอันฟาลไปเลยมนจะเนี่ยอันฟาลีมันเป็นบะหุพศเอกพจน์นี่คือนัฟลุนนัฟลูได้ไหนัฟลูนัฟลูเคยด้นไหมนัฟลูละหมัดนัฟลูเนี่ภาคกลางไม่เคยมีแต่ภาคใต้จะมีละหมานัฟลูนัฟลูก็ละหมาดซุนนนี่แหละ น, นัฟลุนเนี่ยก็หมายถึง ว, ว่าเพิ่มเติมหมายถึงว่าเพิ่มเติมก็เป็นเป็นชื่อเป็นนามของซับเลยซับเลยึลยกอย่างที่บอกฉะนั้นตั้งสุรัลอันฟ้าลเนี่ยทำให้เข้าใจว่ามันก็จะเป็นสุรที่เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสงครามเพราะมันเกี่ยวกับทัพเฉลยศึกใช่ไหมแต่ผมบอกแล้วว่าอายะที่เกี่ยวกับเรื่องทัพเฉลยศึกในสุรนี้ก็มีอยู่ประมาณไม่ถึงสิบอายะทั้งทั้งดีอัลอัมฟัลทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณเจ็ดสิหอายะประมาณ75อายะแต่อายะที่เกี่ยวกับเรื่อง เกา่ัรื่องรัพย์เฉลยละเกี่ยวกับเรื่องอเฉลยศึก ด, ด้วยนะก็ประมาณสิบออะและที่เหลือล่ะของสุรที่เหลือของสุร้อเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับจริยธรรมสงครามเกี่ยวกับจริยธรรมสงครามเอาเข้าจริงมันก็คือจริยธรรมของนักศึกนี่แหละ นักสูรบจะนีบันของนักรบซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามได้ให้นักรบเนี่ยมีมารยาทเพรอาพอะปกติแล้วนี่ได้ยินคำว่านักรบนักรบเนี่ยก็นึกถึงดาบนึกถึงเลือดกระหายเลือดกระหายสังหาร เข่นฆ่าแต่สงครามในอิสลามอย่างที่บอกก็เป็นสงครามแห่งจริยธรรมเป็นการสู้รบที่มีเหตุผลเป็นการสู้รบที่ให้ให้สร้างศีลธรรมเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์สุรัอัลอัฟลจะหากว่าหนึ่งในบรรดาสูโร หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสงครามก็เรียกว่ากฎหมายด้านสงครามบางส่วน <c oughs> มันแสดงให้เห็นว่าท่านนาบีสุลต่านละวะอัลลอมฺมยูที่มัดีนะแล้วบรรดาบทบัญญัติหรืออายาที่จะพูดถึงเรื่อง หลักษัทธาเรื่องวันเกียมะเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องอะไรเนี่ยมันจะน้อยลงแต่บรรดาบทบัญญัติหรืออายะที่จะพูดถึงเรื่องข้อปฏิบัติจะมากขึ้นและนี่คือเอกลักษณ์ของสุรามะเนียสุรทิฏฐิประธานลงมาที่ม ด, ดีน่าเนี่ยมักจะเป็นกฎหมาย กฎหมายของสังคมมนุษย์สุรรที่ที่มา ก, ก้าเนี่เกี่ยวกับเรื่องหลักศรัทธาท่านอับดุลลอฮฺอะลัยฮุสเซลัมที่มาค้าเนี่ต้องการที่จะปลุกฝังเรื่องหลักอิมานเสียก่อนมาดีนะที่หลังนี่พอพอเริ่มมีรัฐอิสลามแล้วเริ่มมีกิจกรรมเริ่มมีบทบาทของรัฐ ในการบริหารจัดการแผ่นดินในการที่จะในการที่จะบริหารคนทรัพยากรจึงึงมีกฎหมายต้องต้องมีมากขึ้นทั้งนี้เป็นเรื่องที่น้อยคนที่อุลมะได้พูดนะครับว่ากฎหมาย islam อ, อ่ะนะกฎหมาย islam ว่าเรื่องด้วยเรื่องของ กฎหมายบริหารน่ะถ้าจะภาษาประชุม บ, บริหารแผ่นดินน่ะกฎหมายอิสลามนี่ในเรื่องบริหารแผ่นดินเนี่ยมันจะไม่ใช่กฎหมายที่จัดการวัตถุอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี้ให้พี่น้องได้สังเกตว่าเป็นกฎหมายที่จัด การมนุษย์ที่เป็นผู้บริหารมากกว่าซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นสุดยอดของวิชาบริหารวิชาบริหารนี่เน้นไปไปที่คนที่ทำงานคนที่บริหารให้เขามีศักยภาพให้เขามีความสามารถให้เขามีจริยธรรมให้เขามีศิลธรรมให้เขามีศิลปะ มากกว่ามากกว่าที่จะวางกฎเกณฑ์มากกว่าที่จะฝึกให้ทำช่วงแรกที่โลกนี้เริ่มมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเมื่อสองศตรวรรษที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะเน้นเน้นไปทางจัดการจัดการเรื่องกฎเกณฑ์ผลิต จะผลิตยังไงให้เยอะขายยังไงนี่ให้เยอะแต่เดี๋ยวนี้หลักบริหารหลักการตลาดเนี่ยเขาเขาไม่ได้เน้นเรื่องนี้เขาแม้แม้แม้ก ร, ระทั่งการตลาดที่อยากจะขายเยอะอันนัน้เขาบอกว่าเราจะไม่มองถึงทำยังไงให้ขายเยอะให้มีจุดขายเยอะไหม เราต้องศึกษาดูดูนิสัยผู้บริโภคอะผู้บริโภคนี่เขาเขาอยากได้อะไรสุดท้ายนี่มันก็ต้องกลับกลับไปที่มนุษย์จริงๆแล้วกรอ่านมองแล้วตั้งแต่แรกเลยว่าศูนย์กลางศูนย์กลางสำคัญนะในโลกนี้เนี่ยก็คือมนุษย์นั่นเอง เรื่องจริยธรรมของนักลบคนที่จะมาแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องมีจริยธรรมอย่างไรอันนี้มันสําคัญกว่าเาะนั้นเราอธิบายไปแล้วในสุรตะลัมพัลอายะแรกเนี่ยเรื่องการแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยวัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในอายะแรกเนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งอายะห์ในบรรดาอายะห์ที่พูดถึงเรื่องการแบ่งทรัพย์เฉลยนั้นเจะมีช่วงกลางๆของสุรอนเนี่ยก็จะมีอีกสักสองสมอายะห์ในช่วงปลายจะมีอีกช่วงแรกเนี่ยได้วางหลักการกว้างๆว่าเรื่องแบ่งทรัพย์เฉลยมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺและรัสูลฺอัลลอฮฺ เรืองอันเฟลเรื่งทัพย์เลยนี่เป็นสิทธิของ Allah และรสนิยฐานผู้นําที่จะพิจารณาตามระบบชูรอทําไมอะทำไมเราพูดถึงเรื่องชูรอเพราะการแบ่งทรัพย์เฉลยนี่เป็นกิจการกิจการหนึ่งและในสุรษอชูรอที่อัลอฮ์ที่พูดถึงเรื่องระบบ ระบอบการปรึกษาหารือเนี่ยว่ามรุ้หุมชูรอใบหนุมและกิจการของเขานี่ขึ้นอยู่กับการปรึกษาหารือนะอ่าแล้วก็การแบ่งทรัพย์เจเลยเนี่ยจะไม่อยูใ่ในเรื่องปรึกษาเด้ไง อ, อยู่อยู่ในเรื่องการปรึกษาแน่นอนในระบอบของการปรึกษาฉะนั้นผู้นําเนี่ยจะไม่ผิดดจการนะในทุกเรื่องที่ อัลกุรอานหรือสุนนะนี่จะพูดถึงเรื่องสิทธิของผู้นําโดยเฉพาะท่านนบีสุลต่าละฮุอาไลฮ์อัสสลัมในการบริหารจัดการในการปกครองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าท่านนบีจะพรเด็จการนอกจากก็จะมีบัญชาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เท่านั้นแต่ถ้าจะเป็นเรื่อง อื่นๆที่ไม่มีคำสั่งจากอัลลอฮ์ سبحانه และท่านนบีก็จะบึกษาหารือเป็นคำสั่งจากอัลลอ์สุรุลอะเลมรอนอัชาวิรุมฟิลแอมรและเจ้าจงปรึกษาหารือพวกเขาด้วยก็หมายถึงว่าสาวกของท่านนี่เป็นหลักการกว้างๆ ก, ก็คือปรึกษาหารือผู้นำเนี่ยจะปรึกผู้นาจะปรึกษาหารือในเรื่อง การแบ่งสับเฉลยดดังนั้นจง<ต>ยงอัลล์ศซาตบยนุุมและกัปรับปรุงระวางพวกเจ้านี่ก็หมายิ้งว่าปรับปรุงปรับปรุงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นอย่าให้มันเสื่อมเสื่อมเพราะเรื่องวัตถุเพราะเรื่องสตัง وأطيع الله ورسوله إ ف َ ج ع َ ف َ ن َ الله لرسول شفَنْ كم سَنْتِ مَجَّد الله مَجَّد رسول إن كنتُ م ُ م ِ ي ن บอก وا ب َ ن َ ع ب َ ب َ ن ِ ي هَيْتَام الله لرسول. َ ي و ش و ن ش و ن ْ ل َ ن ي َ ك ُ ذ َ و ْ ه ب َ ن ْ ب َ ن ْ ت َ ه َ م ْ س َ ن ت َ ج د الله م ََّ ن ت ُ م ُ م ِ และอัลสลิฮฺดัตต์เบนิคุมและอ ط ِ ي ع ُ و ا و ا ล ل َّ ه َ و َ رسول َ ه ُ إن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ตัควัลลอฺَตัควานิความยัมกริงอันนี้เป็นเป็นภารกิจของอวัยวะส่วนไหนในร่างกายหูบหัวใจใช่ไหมหัวใจจะไปจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องแบ่ง สับเฉลยล่ะเราเราต้องต้องเราต้องพิจารณาให้ดีว่าว่าคำสั่งของคุรอ่านในเวลาเวลามุ่งไปที่หัวใจของผู้สัาว์นี่เพราะหัวใจหัวใจที่เสมือนเป็นอมีรเยเป็นผู้นำของเราเหมือนกันมันอยู่ที่ใจเราในเวลาจะแสดงอะไรแบบสุดซึ้งเนี่ยเราจะบอกว่าจาก จากใจขอบคุณจากใจแล้วก็มีขอบคุณไม่มีขอบคุณจากใจคือขอบคุณจากไปลิ้นเนี่ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณแต่มีขอบคุณจากใจเออมันมันมันต่างกันนะคําสั่งของคุณอ่านเนี่ยมุ่งไปที่หัวใจของผู้ศรัทธาพระตะกูลลอสามอย่างนะตะกวากระหัวใจออลซตบุก إصلاح เนี่ย ปรับปรุงระหว่างก็คือปรับปรุงเรื่องความสัมพันธ์เรื่องมนุษย์เสสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องอย่าให้การแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยให้พวกเจ้าเนี่ยได้ทะเลาะกันเพราะเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็คือในสงครามบัร สัญญาณนี่ถูกประทานโซรันเนี่ยานี่ก็ถูกประทานหลังสองคำบัดคนนี้บุกคนนี้เข้าไปบุกบุกบุกไปรบอ่ะนะไปรบก็คือพวกพวกเยาวชนวัยรุ่นแต่พวกอาวุโสเขาจะเขาจะเฝ้าปกป้องนบีแล้วก็ทงอะทงทงของนบีทงของกอ ง, กองทัพ พอเริ่มมาแบ่งทรัพย์เฉลยแล้วเนี่ยพวกวัยรุ่นเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นคนทีบุกบุกเข้าไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้เน่น mm. ก็มีบางคนที่เป็นอาวุโสเขาบอกว่าเราก็อยากจะบุกเหมือนกันแต่เราก็รับคำสั่งจากท่านนาบีที่จะเฝ้าตรงนี้ที่จะดูแลท่านนาบีดูแลธงดูแลเขาจะไม่ได้เลยหรือ Allah ก็เลยให้ท่านนาบีสุตลต่าละอือสัลลัมจัด ก, การที่จะแบ่งแบ่งอย่างเสมอภาคแบ่งเสมอภาคทั้งดังนี้ก่อนที่จะเริ่มสงครามเนี่ยก่อนที่จะเริ่มสงครามนี่ท่านนาบีบอกว่าใครได้ทรัพย์ตรงไหนเนี่ยอิบไปเลยทรัพย์ที่ขงขงศัตรูอะนะใครได้ทรัพย์นี่ก็หยิบไปเลยเพราะคนที่เข้าไปลึ ก, ล ก, ลกๆเกินนะเขาก็ได้ พวกศัตรูนี่เขาก็ขนทรัพย์สินอะไรของเขามานี่เขาก็ได้เยอะกว่าแล้วคนที่เฝ้านาบีหรืออยู่เฝ้าทงนี่เขาก็ไม่ได้อะไรเลยต้องว่าก็บางคนน้อยใจท่านนาบีก็เลยบอกว่าอย่างงั้นนะ่มาแบ่งให้เสมอภาคดีกว่าอัลมอก็อยากจะให้คนที่เขามาทาสงครามตรงนี้และมีทรัพย์เฉลยเกิดจากสงครามซึ่งไม่เยอะมาก ไม่อยากให้ทรัพย์สินอันเล็กน้อยเนี่ยที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ไปทําจิ h า d กันนี่นะได้ทะเลาะกันในเรื่องดุ尼亚ในเรื่องในเรื่องทรัพย์สินว่าศิลปะจตบยินคุณจงอิสลามอิสลามนี่ให้ปรับปรุงและเรื่องปรับปรุงนี่หมายถึงว่าปรับปรุงหัวใจอย่าได้โกรธอย่าได้โกรธกัน อย่าได้อาคตาิกันอย่าได้น้อยใจกันเพราะเรื่องฮะเรื่องวัตถุเรื่องสตังอที่บอกคราวที่แล้วนี่บอกว่าเรื่องเรื่องสตังนี่แหละเอลฟูรุสตัวใหญ่รสตังนี่มันเปลี่ยนใจอเคยเห็นไหม สองคำงูเห่าอีสองคำบ้านเรเนี่ย ม, มีสองคำงูเห่าและต่างทุกทีนี่ก็มีสงคำงูเห่าสงคำงูเห่านี่ก็เพราะอะไรอ่ะถึงผ ล, ลประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมเปลี่ยนค่ายเลือกขั้วเลือกเจ้านาย เปลี่ยนอุดมการเพราะอะไรเพราะตำแหน่งเพราะผลประโยชน์อิสลามไม่ต้องการให้บุคลากรในสังคมนี่มีเรื่องนี้แลเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือปัญหาใหญ่ในสังค ม, ม น, นะเมื่อดูเมื่อพิจารณา ปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องเรื่องผลประโยชน์นี่แหละที่ทําที่ทำให้สังคมเน่ไม่นิ่งตราบใดบุคลากรในสังคมอะไม่ถูกฝึกอบรมไม่ถูกขัดเกลวหัวใจของเขาเนี่ยหัวใจถูกขัดเกลวนี่ไม่ให้บูชาวัตถุ เรื่องตะว่านี่เป็นเรื่องหัวใจปรับปรุงความสัมพันธ์ก็คือเรื่องอุคูว่าเรื่องความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันเนี่ยระหว่างกันก็เป็นเรื่องหัวใจเหมือนกันว่อัติยุลล่ฮะวะรัศวลหูจงเชื่อฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องหัวใจเหมือนกัน mm hmm. นะแบ่งก็จะแบ่งกันยังไงก็เถอะแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องหัวใจนี่สาคัญ จังมาเน้นภารกิจสามภารกิจเนี่ยอิง่งกุ้นตุมมุมินีย้อนไปถึงเรื่องสำคัญที่สุดที่มันจะดึงสามภารกิจนี้เนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือเราต้องพิจารณาความเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงถ้าเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงก็จะต้องมีนี่แสดงว่ามุกมินเนี่ยจะต้อง ตรวจสอบหัวใจของเขาเนี่ยมีตะกว่วไหมมีหัวใจที่บริสุทธิ์ระหว่างพี่น้องด้วยกันไหมเชื่อฟังอัลลอฮ์เรซูลไหมนี่เรื่องที่พวกเรายังเป็นภารกิจทุกวันนี้นะจะมีสงครามไม่มีสงครามแต่มันก็เป็นภารกิจสำคัญที่จะทำให้สังคมเนี่ย สงบเรียบร้อยต่ว่าความเยี่มเกรงต่ออัลลอฮ์ س ب าน ن ه และ ت ع ا ل ที่จะทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ไม่เป็นคนที่แสวงหาวัตถุอย่างเดียวเยีมเกรงอัลลอ์กลัวอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا สองให้ความสำคัญในเรื่องอุควูว่าเรื่องความเป็นพี่น้อง จะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาแววงกันบ่อยและเชื่อฟังอัลลอห์เราลสูลกล่าวคือเชื่อฟังคำสั่งเชื่อฟังผู้นำในกิจการต่างๆอันนี้ก็จะทำให้สังคมสงบไม่เกิดความขัดแย้งบ่อยครั้งอินคุนตุมมุมินิน หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงยังไม่หมดนะครับเรื่องความศรัทธานี่ก็คงยังเป็นเรื่องที่จะต้องมาตอกยำ้ำข้อสังเกตว่าสุราม ก, กิยาหรืออายะม ก, กิยานี่ถ้าพูดถึงเรื่องอีมานนะ จะพูดถึงเรื่องความศรัทธาในเรื่องสิ่งเด่นลับพยายามที่จะให้เชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในวันเกียร์มะเชื่อในสวรรค์เชื่อในนรกซูเราะห์ ม, มาดินี้เนี่ ท, ท, ที่ที่ถูกประทานลงมาที่มัณฑนาเขาพูดถึงเรื่องอีมานแต่หักมุมความศรัทธาหรืออีมานเนี่ยจะไม่กล่าวถึงเรื่อง เร่นลับเสมอไปนะแต่จะกล่าวถึงภารกิจของความศรัทธาภารกิจของความศรัทธาที่จะต้องปรากฏในชีวิตของเราปรากฏยังไงนี่อันนี้ตัวอย่าง ا ل ل ه س ب ح ا ن ه وتعالى د ي ه ه يمّا ب ن بريء و ذ ب الله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله و ج ل ت قلوبهم وإذا ت ل ي ت عليهم آياته زادتهم إ ي م ا ن ا وعلى ربهم يتوكلون تاتين بندابو س ط ا ن ا อันนี้ก็ใช้คำว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาถ้าจบแล้วบรรดาผู้ศรัทธาน่าจะน่าจะตรงกว่าที่บรรดาผู้ที่ศรัทธาเนี่ยก็จะต้องเป็นการีอินเนมัลละีนัอัมันูเนี่ยอันนี้อินเ น, น, น, นมัลมุกมินูเนะเป็นนามไงบรรดาผู้ศรัทธาผู้ที่เมื่ออัลละฮ์ถูกกล่าวขึ้นแล้วหัวใจของพวกเขาก็วัน วันกระดิงวิจิตรกลุ่มเอาที่ละอันเมื่ออัลลฮ์ถูกกล่าวขึ้นแล้วหัวใจของพวกเขาก็วันกรงวิจิตรกลุมแน่นอนเราเราก็เข้าใจนะหมายถึงตรงเนี้ยอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นนี่หมายถึงว่าพระนามของอัลลอฮ์ ไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ศรัทธานี่ถ้าเธอเธอเธอนั่งอยู่เฉยๆนี่แล้วก็เราอัลลอฮ์อย่างเงี้ยอัลลอฮ์แล้วเขาจะวันเกรงไม่ใช่หมายถึงแต่เราหมายถึงว่าพระนามของอัลลอฮ์นี่เมื่อถูกกล่าวและพระนามของอัลลอฮ์ سبحانه แล ะ, ะก็ถาละเมื่อถูกกล่าวแล้วทั้งในกุรานและในหะดีษเนี่ยมีหลายรูปแบบ ถูกกล่าวเช่นสลร บ, บางท่านนที่อธิบายเนี่ยก็ถูกกล่าวตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าถูกเตือนด้วยพระนามของล l l a h เช่นจงเยี่ยมเกรง Allah อิตะกลิลละกำลังจะทําความผิดกําลังจะทําบาปแล้วก็มีคนมาเตือนอิตะกิลละจงเยี่ยมเกรง Allah เขาก็จะเลิก เขาก็จะหวาดเขาก็จะหวาดกลัวกลัวอ๋อไม่ทําไม่ทําล้ไม่ทำแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าอ๋ออยางนีไม่ใช่หมายถึงว่มมาวมีมีอะไรที่เป็นมีอะไรที่เป็นสํานวนอ่ะอันนี้อายะนี่บว่าเมื่อเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวก็ไม่ใช่หมายถึงว่าพระนามของอัลลอฮ์เฉยๆนะไม่ใช่ สบบาบังท่านบอกว่าหมายถึงว่าเมื่อใครก็ตามกําลังจะทําบาปบางอาจที่จะกําลังจะทําบาปนี่กาลังกล้าหาญที่จะทําบาปจะมีคนมาเตือนเขาอิจ ต, ตักิลละจงยงิจงกลัวลอสดิยิง่งเกรงอัลลอฮ์สิเขาก็กลัวกลัวอัลลอฮ์และไม่ทําบาปนี่รูปแบบหนึง่งก็ถูกกล่าวพระนามอัลลอฮฺ سبحانه และเราถูกเอ่ยมา ข้าแต่หมิ่นถงอลอ سبحانه แล تعالى ล ق ค قوى قوى ا วก ه วล سبحانه و تعالى อือดุ ل ีรลอตรงนี้เ่ขาบใช้กริยาดุกีร์เขาจกริยาไม่นมาชรเป็นกริยาที่ไม่ไม่มีไม่มีประธานถูกถูกกล่าว ไม่ได้บอกว่าใครเป็นกลา้า เ, เป็นผู้กล่าวใครก็ได้ที่จะเป็นผู้กล่าวอาจจะเป็นผู้อื่นผู้อื่นที่เห็นเรากำลังจะทำความผิดเาก็มาเตือนนะจะเตือนด้วยการเอ่ยพระนามอัลลอฮฺสุบฮานาอนาหาาฺหรือตัวเราเองก็ได้นับสู่ของเราเนี่ยสำนึกสำนึก สัมเนตถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทูกล่าวพระนามอัลลอ์เฮยนักถึงอลลอฮ์บังดีอนี้ทำบาปทาบาปแล้วก็นับสูจิตใจของเราเนี่ยฮะ ห, หรืออาจจะเป็นมาลลยกะที่ท่านนาบีสุลต่านละออร์ไลอุสซัลลัมได้บอกว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีก็จะมีะมลัมมะ และมาแปลว่าแปลว่าการกระตุ้นกระตุ้นของเชตตอนและมีการกระตุ้นของมาลาอิกาการกระตุ้นของเชตตอนนี่กระตุ้นทําความชั่วและการกระตุ้นของมาลาอิกานี่คือกระตุ้นใ้ทําความดีเลิกความชั่วอาจจะเป็นเรื่องการกระตุ้นของมาลาอิกาก็ได้มาลาอิกาก็กระซิบ ให้กลัวอล้อบ้างดิหรือหัวใจของเราที่ถูกห ล, ล่อหลอมที่ถูกขัดกล่าให้กอัลลอฮ์ س ب าน ن ه แวะ تعالى إذا ذُكِرَ ا ل ل َّอُ مَا اللَّهُ تُغَلَّقَ كُلَّهُ แล้วหัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงสังเกตไหมอันนี้ก็กลับมาถึงบทบาทของหัวใจอีกแหละทั้งดังที่ กำลังพูดถึงเรื่องอันแฝงเรื่องแบ่งทรัพย์เฉลยนะแต่ก็กลับมากลับมามาย้ำกับหัวใจมันเป็นจุดสำคัญน่ะล่ะของผู้ศรัทธาหัวใจของตัวเองนี่แหละหัวใจของเรานี่แหละจึงเป็นคำถามที่พวกเราต้องต้องถามตัวเอง่ะหัวใจของเรานี่ประพิตไหนเมื่อทำบาป แล้วคนเขามาเตือนระหวั่นเกรงไหมหรือไม่สนใจหลังจะทำความผิดทำบาปเฮ้ยมีคนมาเตือนเนี่ยอมเกรง a นี่ยอันนี้มีนะเออมีเห็นกัตาเลยอะ่ะไม่กลัว a l ล a ะหร อ, อเออไม่กลัวอันตรายมาก <laughs> อันตราย มันไม่ใช่เฉพผู้สถาละที่อะก็แลังพูดถึงอินนมัลมุมินที่แท้จริงนะนะวันนี้ผมจะอธิบายว่าอินนมัลมุมินนูนก็คือผู้สถาที่สมบูรณ์เนีที่สมบูรณ์หรือจะอธิบายว่าอินนมัลมุมินมุมินที่แท้จริงแสดงว่าที่ไม่มีคุณสมบัตินี้เนี่ยนะไม่ใช่มุมินที่สมบูรณ์หรือไม่ใช่มุมินที่แท้จริงมุมินปลอม มีพฤติกรรมอะไรอันแรกเลยนะมูมินที่แท้จริงเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะหวั่นเกรงกําลังทําความผิดหรือไม่ต้องทําความผิดก็ได้แต่อันนี้อีกเรื่องหูจะพูดทีหลังตัวอย่างเนี่ยกำลังจะทําความผิดอ่ะกําลังทะเลาะกันอย่างเงี้ยพี่น้องกําลังทะเลาะกันให้กลัวอัลลอฮ์กันเอียมเกรงอัลลอฮ์กันหน่อยสิเขาก็จะหวั่นเกรงเขาก็จะเอี่ยมเกรง ตรงกันข้ามเฮ้ยย si. ังเรียงกันล็อกกันสิเฮ้ยทำไมแสดงว่าตรงกันข้ามนี่คือสภาพมูมนที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ใช่มเมนที่แท้จริงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องนามาต ร, ตรวจสอบนะตรวจสอบหัวใจของเราเพอเราบอกว่ามันเป็นมันเป็นกิริยามันเป็นภรารกิจของหัวใจว่าจีลั อุลูบุหุมหัวใจวันกระเรงว่าจีละในภาษาอับเนี่ยอันนี้แปลแปลตรงมากแปลละเอียดมากนะครับวันกระเรงเนี่ยว่าจิละคือสะเทือนอะหัวใจเนี่ยเนื่องจากความกลัวตอนร้อนนี่สะเทือนเขาบอกว่าใช้จริงใช้คำว่าวันวันมันสะเทือนนะ วันไหวแผ่นดินไหววันไหวสะเทือนหัวใจนี่มันสะเทือนสะเทือนด้วยอะไรครับด้วยความเกรงกลัว Allah, วันเกรงแปลดีมากตรงเนี้ยพอาะคำว่าหัวาจล่ะวาจล่ะหัวใจนี่มันสะเทือนนะ่ะพอแค่เอยอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอะไรแล้วเนี่ยโอ้หัวใจหัวใจสะเทือนเลย ถ้าเราเป็นประเภทเนี้ยเมื่อเอ่ยเมื่อเอ่ยอัลลอฮ์แล้วนี่นะหัวใจสะเทือนเลยให้คนคนนี้เนี่ยนะเอ่ยอัลลอฮ์อย่างเดียวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็สงบได้เรื่องเลยนี่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริง อีกรูปแบบหนึง่งหรืออีกอีกอี ก, อ, กอีกกรณีหนึ่งไม่ต้องกรณีที่เรากำลังทำบาปนะไม่ได้ทำบาปแต่ก็นั่งเฉยๆอย่างนี้กำลังคุยหรือนั่งเฉยๆอย่างนี้แล้วก็พระนามของอัลลอฮฺถูกเอ่ยมาหรือใครเอ่ยอัลลอขึ้นมาโอ้อัลลอนี่เมตตาเราจริงๆสมมตินะ หัวใจของเขาเนี่ยก็จะก็จะหวั่นเกรงก็จะดำลึกถึงรัศมาอาลรเช่นเดียวกันนี่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงทั้งสองกรณีนี้เนี่ยที่ผมอยากจะเตือนตัวผมและกับพี่น้องให้เป็นเรื่องชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดในสองสภาพ พอเราเนี่ยก็อยู่ในสองสภาพนี่แหละสภาพทําบาปและสภาพไม่ทําบาปสภาพไม่ทําบาปนี่อาจจะทําบุญหรืออาจจะไม่ทําอะไรเลยก็นั่งเฉยๆใช่ไหมีสองสภาพนี่แหละทําบาปแล้วก็ไม่ทำบาปมนุษย์นะนะอยู่ในสองสภาพนี่แหละทําบาปกับไม่ทําบาปอันแรกที่ต้องตรวจสอบว่าชีวิตของเรานี่อยู่ในสภาพที่ทําบาปมากกว่า หรือไม่ทำบาบมากกว่าอันนี้อันแรกเลยนะของฮุสตาเราอยู่ในสภาพที่ทำบาปมากกว่าหรือไม่ทำบาบมากกว่ายีบสี่ชั่วโมงเนี่ยนอนแปดชั่วโมงบางคนากว่าแปดชั่วโมงนี่ทาบาปยังไงอะ่ะเปิดเพลงใส่หูนี่นอน รีเพลย์นี่นะี่ยวนไปวนมานี่ฟังเป๊กฮะคิดบาปไหมเนี่ยก็บาปอยู่ก็บาปอยู่ดีเปิดทีวีดูหนังดูละครดูอะไรเนี่แล้วก็เปิดไว้อยู่นั้นนะอ่ะก็มันก็บาปไปเรื่อยมาถึงแมว้มว่าถึงแม่หลับเหลับไปแล้วหลับนี่มันคือสภาพที่น่าจะปลอดภัยที่สุดนะสําหรับมนุษย์นะไม่มีโอกาสที่จะ ประพฤติประพฤติความชั่วแต่บางคนเนี่ยเผื่อไว้ด้วยแต่กูนอนเนี่ยก็ยังมีบาปยังยังทาอยู่อาที่เหลือล่ะจากยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วแดชั่วโมงนอนไปแ ช, ชั่วโมงอีกสิบหกชั่วโมงอ่ะส่วนมากนี่อยู่ในสภาพที่ทําบาปหรือไม่ทําบาปงานอาชีพกิจกรรมการพูดคุย อะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเอามาบวกหารลบคูณดู <c oughs> ที่เหลือเนี่ยมันมันอะไรสราภาพที่เราทำบุญอยู่เนี่ยนั่นนะคือกำไรล้วนๆแต่สาภาพที่เราไม่ได้ทำบาปนั่งเฉยๆแต่มีโอกาสที่พระนามของลอสุบฮานะวะดาละถูกเอ่ยมา มีคนพูดถึงอัลลอฮ์ขึ้นมามีคนกล่าวถึงอัลลอฮ์ขึ้นมาเรานึกถึงอัลลอฮ์ขึ้นมาเรานึกถึงอะไรสักอย่างขึ้นมาไปท่องเที่ยวไปเห็นอะไรยิ่งใหญ่สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างแล้วก็นึกถึงอัลลอฮ์นี่ไงนึกถึงอัลลอฮ์ขึ้นมามันจะทําให้หัวใจของเราเนี่ย วันเกรงไหมนึกถึงอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ تعالى ไหมถ้าสภาพของผู้สถาแบบนี้สแสดงว่าหัวใจเนี่ยหัวใจที่อยู่ที่อยู่ในสรีระของเราเนี่นะเป็นหัวใจที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าหัวใจของเราเนี่ยประเภทที่อัลลอฮ์ถูกเอยขึ้นมาเนี่ยไม่มีผล ไม่ทำบาปนะ <c oughs> ก็นั่งอยู่เฉยๆคนก็พูดถึงอัลลอหัวใจของเรานี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยไม่มีอะไรอ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับกุรอ่านเกี่ยวกับคำสั่งของอัลลอฮ์เกี่ยวกับอะไรที่ทำให้เราเนี่ยน่าจะน่าจะภูมิใจน่าจะทึ่ง เรื่องของอับสุมผัสอะแต่ปรากฏว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่ไม่สเทือนเลยนนะเป็นสัญญาณว่าหัวใจหัวใจอยู่ในสภาพหรืออยู่ในห้องไอซหัวใจมีโรคทำยังไงอะครับเพื่อให้หัวใจของเราเนี่ยเมื่ออัลลอฮถูก กล่าวขึ้นมาเนี่ยจะวันกระเด่งจะวันไหวจะตื่นเต้นจะทำยังไงมันต้องฝึกฝนต้องขัดเกลาขัดเกลาด้วยอะไรด้วยสามอย่างเรื่องแรกซิกุรุลลอฮฺบ่อย พการรลึกถึงอัลลอบซาลาขาอกจิล่าอุลกลุบจิกรุลลานี่มันเสมือนขัดขัดสนิมในหัวใจหัวใจที่มันไม่หวั่นเกรงเนี่ยที่มันไม่ตื่นเต้นนะนันนก็คือหัวใจที่มันสนิมขึ้นเหมือนรถเหมือนจั ก, กยานเห็น มันจะไม่หมุนนะ่ะทําไมอ่ะอุสนิมเกาะเต็มไปหมดเลยเครื่องจักรอะไรก็ดามอพอสนิมมันเกาะขึ้นมานะเอ้ยมันมันไม่ไปอะ่ะทําไมสนิมเกาะหมดเลยทำยังไงอก็ต้องให้เอาสนิมเนี่ยเอาสนิมออกก่อนขัดสนิมออกก่อนหนึ่งซิกุรุลลอฮฺซิกุรุลลอฮฺนี่ทุกรูปแบบนะซิกุรุลลอฮฺทั่วไปหรืออ่านคุรานระําลึกถึงอ AH, ัลลอฮฺนี่ผมก็อธิบาย อย่างละเอียดนะครับใ น, ใ น, ในการสิกุรอเน่ถ้าใครติดตามหลายรูปแบบของการสิกุรอสองความรู้การเรียนรู้การศึกษากุคุรอนศึกษาฮะดีษรู้จักอัลลอฮ์รู้จักระซูลมากขึ้นมันช่วยขัดสนิมได้เยอะเลยทำไมอ่ะละมาเขาบอกว่าสนิม ที่มันก่อหัวใจเนี่ยมีสองประเภทเออมีด้วยอ่ะมีด้วยศาสนาสอนประเภทสนิมด้วยชาเคมีปเนี่ยประเภทเซนิมที่เกาะหัวใจอ น, นี้ไปถามดูเนี่ยพวกช่างเนี่ยเขาไม่เคยเรียนกันหรอกเนิมที่เกิดจากการทำบาปทำบาปเยอะ สนิมก็เกาะอยากจะนึกภาพนะก็เหมือนไขมันออนึกนึกออกปะไขมันที่มันที่มันเกาะเส้นเลือดอ่ะเออนั่นไขมันเรากินไขมันเยอะมันก็มีไขมันเกาะเส้นเลือดแล้วก็เดี๋ยวเลือดมันก็ตันมันมัน ไม่ไปไม่ได้ละเลือดไปไม่ได้ละถ้าอยากจะนึกภาพะนะอะสนิมที่เกิดจากการทําบาปทําบาปเยอะจนสนิมเกาะหัวใจเกาะเยอะเอยอัลลอฮฺถูกกล่าวขึ้นมานะหัวใจก็ไม่ไม่หัวใจไม่หวั่นไหวน้ําตาไม่หลังไหล และนี่คือสัญญาณที่เคยบอกกับพี่น้องผมหัวใจของผู้ศรัทธานี่ยสองอย่างเนี่ยพราะเอ่ยถึงอัลลอฮฺสลระ บ, บางคนเนี่ยพอเอ่ยถึงอัลลอฮฺแค่เอ่ยถึงอัลลอฮฺนี่ก็น้าตาหลั่งไหลละเอ่ยถึงอ AH, ัลลอฮฺในหัวใจตื่นเต้นละเราเป็นเช่นนั้นไหมสนิมประเภทที่สองสนิมที่เกิดจากความโง่เขลา เป็นสนิมไหมเป็นสนิมที่จริงนี่นะสะนิมที่เกิดจากบาปนี่นะมักเกิดจากความโง่เขานี่แะทำบาปเฮ้ย hey, ทำไมท่าไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> นี่ไงก็ <c oughs> ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไงแต่ความโง่เขานี่มันกว้างขวางกว่าการนี่แค่ไม่รู้บาปนะแล้วก็ไม่รู้กาละเดสะไม่รู้อะไรที่ควรไม่ควร ไม่รู้สิ่งที่น่าทําก็ไม่ทําไม่รู้ว่าในเรื่องดีก็ันก็ไม่ได้ทําก็อดอดทําความดีมันก็เกิดจากความโง่เขลาเหมือนกันสนิมทั้งสิ้นสนิมที่เกิดจากเกิดจากความโง่เขากับความจจเหฮไรการศึกษาไรการเรียนรู้สนิมที่เกิดจาก การทำบาปแก้ด้วยอะไรครับหนึ่งไม่ทำบาปง่ายไหมไม่อยากจะมีสนิมเกิดขึ้นเยอะหนึ่งไม่อยากมีไขมันเกิดขึ้นก็อย่า ก, กินของหวานง่ายนิดเดียวหมอง่ายนิดเดียวแต่คนที่ชอบกินของมันเน่มันมีง่ายก็ <c oughs> ไม่ต้องทำบาปไอ้คนที่ชอบทำบาปมันก็มันมีง่าย ผู้สัตวผู้สัที่แท้จริงอินนะลุบิโนที่แท้โมบินที่แท้จริงอ้าและสนิมที่เกิดจากความโง่เข่ากับความใจเฮล่ะแก้ด้วยอะไรครับโดยการเรียนรู้สนิมเหมือนกันแล้วส่วนมากอ่ะนะสนิมสนิมที่เราเห็นเน่ยมันเกาะกับเครื่องจักรเครื่องยนต์่ะไร มันก็เกิดจากการที่มันถูกปล่อยวางกันไม่ได้ใช้ใช่ไหมรถปล่อยอย่างเงี้ยจอดเวยย่งนั่นไม่ใช้เครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรปล่อยอย่างงี้โดนอากาศชื้นโดนฝนโดนแดดอะ่อะมนุษย์ก็เหมือนกันนี่แหละปล่อยทำมาหากินไปเที่ยวดูทีวี ท ำ, ทำนู่นทำนี่ทำปล่อยปล่อยตัวในโลกดุนยานี้เนี่ยแล้วก็ไม่ขัดสักีแล้วก็หัวใจหัวใจก็ไม่ได้ทํางานน่ะที่ทํามาหากินกันเนี่ยไม่ได้ทํางานน่ะเว้าวเราเร า, เราไม่ได้พูดถึงหัวใจหัวใจที่แน่นอนไปรองยิมเรียกรงยิมปะรงยิมรง งยิมไปรงยิมมันก็หัวใจมันก็ฟิตเนสอะ่ะหัวใจมันก็ทำงานนะแต่ทำงานแบบไหนอะ่ะที่ไปฟิตเนสนี่หัวใจเอาเอาไปตายโดยซ้ำไปทั้งที่บอกว่าหาไปไปไปฟื้นฟูสุขภาพจริงๆไงนะแต่ดูเขาแต่งตัวกันยังไงอะ่ะไปไปโรงฟิตเนสอ่ะใช่ไหม ที่ ท, ที่ที่ไม่ไม่ใช่เมื่อคือที่เข้าไม่ได้ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องหลักการศาสนาแล้วมุสลิมบอกว่าเฮ้มุสลิมท้ายเนบิซุนน่าเนี่ยให้ไปฟิตเนสเอามาจากไหนเนี่ยซุนนไนไปไ ป, ไปฟิตเนส็นบีวบอกว่ามุหมินที่แข็งแรงดีกว่ามุหมินที่ไม่แข็ ง, งใช้ดีคืออในว่ามุหมินที่แข็งแรงคือต้องมุหมินด้วยไงแต่ไปฟิตเนสแล้วก็ไอ้ น, นี่ขาสัน้นไอ้นี่ก็ไม่มีขาเลยไอ้ น, นี่ก็ ออกนีนะ่ไม่เหลือหัวใจนี่ก็แข็งแรงไม่มีไขมันจริงๆแต่สนิมเต็มเลยหัวใจอนันนู้นน่ะสนิมเต็มเลยเนี่ยเราก็ทำหมากินไปฟิตเนสไปนั่งนั่งรถประจําทางไปเที่ยวไปกินข้าวไปอะไรเนี่ยแล้วก็หัวใจหัวใจที่เราต้องการให้ ให้มันหวั่นเกรงเราสุพรรณเาะนีอมันไม่ได้ถูกใช้เลยมันถูกวางถูกปล่อยวางสนิมก็ต้องขึ้นสิครับขย่าวมันขย่าวหัวใจเนี่ยขย่าวด้วยการเรียนรู้การศึกษาสิกุลลอห์ทำความดีทำไอบาดะโดยเฉพาะไอบาดะที่มีคุณภาพ ความรู้ที่มีคุณภาพไม่ใช่ความรู้อะไรก็ได้นะไม่ใ่ฟังไปฟังบรรยญญายบรรยายบางอย่างบางชนิดนั่นนะเพิ่มสนิมอีกอ่ะใช่ไหมบรรยายบางชนิดนี่เพิ่มสนิมไปอีกแทนที่จะให้ความรู้ศาสนามันช่วยขัดสนิมอะ พูดอยู่เสมอว่าคือมันเป็นสิ่งที่ผู้บรรยายกับคนที่ฟังบรรยายเนี่ยมันแฟร์สรทั้งสองฝ่ายเนี่ยคนที่บรรยายเนี่ยคนที่จะเตือนคนที่มาฟังบรรยายบอกว่าถ้าหัวใจถ้า إ ي มานไม่เพิ่มขึ้นเนีย่ยมาฟังฉันมัน ทุกคนที่ฟังบรรยยนะัญญาเน่ยควรที่จะพูดแบบนั้นควรที่จะ ส, สั่งสอนผู้คนแบบนั้นถ้าหัวใจไม่เพิ่มอีมิมาเนี่ยไม่ต้องมาฟังจันมันแฝงที่สุดทําไมอ่ะเขาจะได้ตรวจสอบตัวเองคนที่บรรยยัญญาตรวจสอบตัวเองว่าตกลงที่เขาสอนชาวบ้านเนี่ยที่เขามาเยอะเนี่ยอ๋อเขามาเพราะเพราะพูดตลกเก่งเปล่าหรือเพราะเขาเขาด่าเก่งเปล่าด่าชาวบ้านเก่งเปล่า คนโอนมาเยอะเนี่ยเพาะบ้านเราเนี่ยอะไรที่มีมีฮะมีอะไรที่มีชนมีอะไรเนี่ยไก่ชนวัวชนโตครูชนนี่เนี่ยเขาก็เอาหมดแหละชาวบ้านเนโตครูชนโตครูเนี่ยเขาก็ชอบมึ ง, งเงนเพราะจะได้วัดตัวเองไงว่าตกลงที่เชนบรรยายนี่บรรยายแล้วคนมาเยอะอันนี่มาเพราะความรู้หรือมาเพราะอย่างอืดเขาไม่ได้มาเพราะเพราะอีหมานเขาขึ้นเนี่เขามาเพราะเขามันไง เ ข, เขาได้ใจอย่างอีกอย่างนึงอะแล้วคนที่มาฟังบรรยายก็เหมือนกันตัวสอบตัวเองเนี่จะรู้ที่ไปฟังตัวครูเนี่ยแต่และคนเนี่ยได้เพิ่มอีมานเนี่ยหรือไม่เพิ่มอีมานเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าสมควรที่จะเรียนรู้กับใครเพราะที่อัลลอฮ์สั่งสอนให้เราได้เรียนรู้นี่คือเรียนรู้ความรู้ที่มีประโยชน์ไอล์นาแฟอลมุน่นาฟะ ถ้ามาตรฐานนี้เนี่ยมีในสังคมมันนะมีในสังคมจริงนะนะโอ้เราจะเห็นคุณภาพเกิดขึ้นในวงการการบรรยายนี่มันจะมีคุณภาพมากขึ้นหัวข้อก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนี่ภารกิจแรกเลยนี่แค่ภารกิจของหัวใจเมื่อพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยถูกกล่าวขึ้นมา ถัดมาน uh um ี two, two, ่อ ah ัลลอฮฺบอกว่าอิดะตุเลียต عليهم آياته زادتهم إيمانا เครื่องหมายที่สองอัตลักษณ์ที่สองของหัวใจหรือของผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยอิดะตุเลียตาและอิมและเมื่อบรรดาองค์การของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขาองค์การเหล่านั้นก็เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขา ตุเละตายเลยฮิมแอยาตูซาดตมอีมาณอันนี้ก็ตัวอย่างอย่างที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยศึกษาเรียนรู้กุรอานองการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺมัตอาละขณะที่กำลังเรียนรู้ความหมายกุรอานเรียนรู้กุรอานก็จะทำให้อีมานเพิ่มขึ้นแต่สังเกตสังเกต อัล่าวบอกว่าถ้าตุเลตตุเลตเมื่อองค์การถูกอ่านแต่ลาแต่ละไหมว่าอ่านต่างต่างจากอันแรกนุ่นน่ะพระนามอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นผมก็บอกว่าเอ่ยขึ้นนะ่ะไม่จำเป็นต้องอ่านกรอานนะอิตาเกลล่าเนี่ยยังยังรเรียงอัลลอฮ แค่นี้อันนี้อัลลอฮ์ถูกถูกกล่าวขึ้นนั่นนะเขาก็ยังเรียอัลล์ล่ะหรือว่าตื่นมาตอนเช้านี่นะออกระเบียงโอ้โหในบัญชีก็มีอยู่ร้อยล้านข้างล่างบ้านนี่ก็มีรถจอดอยู่สามคันแล้วก็บ้านตัวเองนี่ก็มีอยู่หลายหลังบริษัทนี่ก็มีอยู่สามสี่บริษัท ออกมาตอนเช้าพอเห็น ฟ, าฟ้าก็ Allah. เห็นความมิ่งเงของอัลลอฮ์นี่นะเนี่ยก็อัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นเขาก็รำลึกเขาก็เลยทอมตนบอกอัลฮัมดุลิลลาห์แทนนี้จะเริ่มและเริ่มจะเป็นตกกบฏบละแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยลืม ลืมตัวเองนะโอ้โหอุกอังกางกรขนาดไหนอ่ะนะพอเห็นฟากฟ้ายาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้โปรดดูแลฉันด้วยทมตนนะแล้วก็รีบขัดเกลาวจิตใจของตัวเองทำหน้าที่ทำหน้าที่ในการที่จะในการที่จะวางตัวตามขนาด ส่วนมากอะนะคนรวยผู้นำอะที่สร้างความวุ่นวายในโลกนเนี่ยเนี่ยไม่รู้ขนาดไอ้ทั้มเนี่ยมันตื่นตอนเช้าแบบนเนี้ยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันให้นึกว่ามันต้องใช้มึงไงนะมันใช้มันใช้สัพนามอื่นมึงอะไระขนาดไหนอะ จะอลังการขนาดไหน่ะอัลลอฮห้าร้อยมาประท้วงนี่คนก็อายแล้วที่ประท้วงกันทั้งประเทศน่ะยังไม่ยอมใครอะ่ะแบบเนี้ยเอแบบเนี้ยนี่บินต้องคือถ้าเราถ้าเรามีผู้นำ แค่มีหัวใจนี่ขี้อายไอ้หัวใจที่แบบว่าละอายชาวบ้านนะ่ะเหมือนเหมือนหัวใจที่เกิดขึ้นในในในแดนไกลยอย่างเกาหลีและญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขากลาออกเลยเขาไม่รอให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาเย้วเย้วเนี่ยมาไล่ให้ออกไปอ่ะนะเขาลาออกเฉยๆนี่บางทีเนี่ยกระดงประทวัวกันนั่งปริทินให้ละก็ไม่ออกแล้วอยู่ทำไมอ่ะอยู่เพื่ออะไรอ่ะ คือขอให้ถูกนะหรือถ้าเราเป็นผู้นำอะขอให้ถูกจริงอะแต่เขาออกมาไล่นี่คือไม่ต้องไม่ต้องอยู่แล้วอ่ะมันไม่ไม่มีประโยชน์อ่ะไม่มีศักดิ์ศรีนึกออกปะคนที่มีความละอายอ่ะนะคนที่เขารู้สึกมีความตะกบุความยักโสของตัวเองอ่ะนะพอโอ้โหฉันยิ่งแงขนาดไหนแล้วก็ไม่มีอะไรที่สามารถที่จะ ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้ขนาดตัวเองนนนั่ะอันตรายมากแต่อีกภารกิจนี้ว่าอิจาตุเลีอันอ น, อ น, อนี้ม่อันนี้ไม่ได้เอ่ยอัลลอฮ์นะอันนี้มีอันนี้มีองค์การมีอายะถูกอ่านขึ้นมาอ่านเฉยๆนะเพราะคําว่าตะลานี่ตะลา่า วัดลูมาอุพีาอีไลค์มินคิทับอุรบิกะวัดลูมาอุพีาอีไลค์มินคิทับอุรบิกะจงอานอ่านคุรานให้ชาวบ้านฟังอ่านเชยเฉยคิดลับมันอยู่ที่องค์การ เคล็ดลับมันไม่ได้อยู่ที่ทำนอง وإذا تُلِيَت عليهم آياتُهُ เมื่อองค์การของอัลลอฮฺเนี่ถูกอ่านไม่ได้บอกว่าต้องมือแชรีเนี่ยต้องอ่านให้นะจะได้ซึ้งน ะ, ะต้องมป็นชาวีต้องหุ่ซรีนมันจะได้ร้องทำนองไพเราะดี เป็นปัจจัยช่วยได้ดีแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักกล่าวคือถ้าหัวใจเนี่ยจะวันเกรงหัวใจนี่จะคุู่ซัจะมีคุ่นซเมื่อคนที่เสียงไพเรอันอย่างเดียวนะอันนั้นหัวใจมีโรคหัวใจชอบชอบชอบทำนองไพรระอ่างเดียวไม่ได้ชอบกุรอ่าน ถ้าเราตัวเองอ่านคนเดียวเนี่ยก็ไม่มีผลคนอื่นนะอ่านให้ก็ไม่มีผลคนอื่นอธิบาต้องฟังคนนี้เนี่ยเออถึงจะจะซึง้งอันนี้หัวใจมีรูปซึ่งมันเป็นเรื่องที่สังคมมุสลิมต้องพิจารณาเรื่องนี้นะเพราะ <c oughs> หนึ่งสาเหตุที่ทำให้ ที่ทำให้กุรอ่านถูกทอดทิ้งหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้กุรอานถูกท อ, ทอดทิ้งน่ะนะก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องใส่ใจเรื่องทำนองคนก็เริ่มสนใจอสนใจอิสลัมสนใจกุรอ่านสนใจกอรีที่จริงเขาไม่ได้สนใจตัวกุรอ่านนะตัวกุรุอ่านแต่สนใจอะไรเสียง นำเสียงทำนองฉะนั้นคนที่บอกว่าโอโผ้ผมชอบฟังคุรานัมักจะมีคำถามตามมาหลังจากนั้นเลยะชอบฟังใครชอบฟังใครผมชอบฟังคุรานัเราก็ต้องมาตรวจสอบลึกๆอะ ตกลงตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะชอบฟังกุฎานหรือชอบฟังมิชรีเอาเอาให้จริงเอาเอาเอาของจริงอ่ะชอบฟังชอบฟังนักกรีหรือหรือชอบฟังกุฎานเองเอแล้วจะตรวจสอบยังไงอ่ะจะรู้ว่าคนนี้เขาชอบกุฎานเนี่ยจะรู้เอาละ ชอบฟังนี่ไม่ผิดนะอ่าดบอกว่าผมผมต่อด้านพวกกอรีไม่ใช่นะชอบฟังรักกอรีนี่ไม่ผิดนะแต่ฟังกอรีคนไหนก็ได้หัวใจก็เออหัวใจก็มีผลถึงแม้ว่าจะมีผลมากกว่ากับคนที่เสียงไพเราะกว่าทำนองเขาดีกว่านะก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องมีผลกับทุกคนที่อ่านคุตตานรวมถึงตัวเองตัวเอ ง, ต, เองตอนอ่านนะ่ะ เพราะระดับการมีผลต่อหัวใจในการอ่านกุรอ่านเนี่ยอันดับแรกนีคือฟังจากคนอื่นเพราะนี่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยซลอให้อับดุลลอฮ์บินมุสอุดอ่านี่บันทึกอิมามบ خار ีอับดุลลอฮ์บินมุสอุดบอกว่าอักรเระอูฮูอะเลีกะวะอะกะอุนซิล ข้าพเจ้าจะอ่านในท่านทั้งทั้งที่กุตอ่านนี่ถูกประทานลงมาอย่างท่านเองอ่ะกุตอ่านในเรานี่ทั้งหมดนี่ก็ได้มาจากท่านนบีเนี่ยท่านนบีจะชอบฟังจากฉันได้ไงอ่ะนบีบอกไงเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยที่ท่านนบีพูดล้ซึรอินดีอูฮิบุอันอัสมะฮ์ฮุมินไกรีข้าพเจ้าชอบฟังกุตอ่านจากคนอื่นแสดงว่า โอกาสที่จะรำลึกถึงคุรานเนื้อหาของคุรานที่ดีที่สุดนะฟังจากคนอื่นทำไมอุลมามะเขาบอกว่าอันนี้คิดง่ายๆนะครับก็คือตอนอ่านเนี่ยมันต้องใช้อวัยวะต้องใช้หลายอย่างต้องใช้สายตาต้องใช้ลิ้นต้องใช้หูด้วยฟังด้วยนะทั้งหมดนี่มันก็เปลืองเซล์ในสมองจริงไหม มัน ม, มันก็ต้องใช้สมองหลายส่วนไงแต่ถ้าฟังอย่างเดียวอะ่ะก็ใช้หูอย่างเดียวใช่ไหตาไม่ต้องใช้ลิ้นไม่ต้องใช้แค่ฟังนี่เซลล์ต่างๆเนี่ยมันก็จะยางตัวอื่นนะนะมันก็จะถูกรวบรวบมาใช้ในการพินิจพิจารณามากกว่าน บ, บีจึงบอกว่าอุฮิบบุอันอัสมาฮูมินไงรชอบฟังจากคนอื่นอันนี้อันดับแรกอันดับที่สองนี่นะครับก็คืออ่านเอง แะนันเราจะตรวจสอบยังไงเนี่ยว่าเราฟังกุรานแล้วมันเพิ่มพูนอี إ ي ่านกับหัวใจของเราเนี่ยถ้ า, ากว่าเราทั้งอ่านทั้งฟังนี่นะเราได้เราได้ผลอ่า น, นแสดงว่าหัวใจเ อ, อไม่มีปัญหายิ่งถ้าหากว่าเออถ้าฟังกอรีเนี่ยบางคนน่ะนะ ฟังกอรีเนี่ยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทันใจทำไมอ่านเองนะครับพี่น้องอ่านเองอ่านเฮ้อ่านีกกลับกลับมาอ่านอีกทีนึงเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันสุดยอดอ่านอีกทีนึงเนี่ยแล้วถ้าจะฟังกับคนอื่นนะ่ะ ทำได้ไหมเฮ้ยอีกทีหนอีกที่งอีกทีหนึง่งเด็ดตบให้เลยคนอื่นเขาไม่อาจจะจะจะจะเป็นไอ้ไอ้เทปอะ่ะทันไหมเทปอะ่ะ <_ c oughs> เหนื่อยเหมือนกันในเทปมันก็เหนื่อยเหมือนกันะนะ่ะ <_ s> กลับไปกลับมาเนี่ยอะถ้าจะจะเป็นช่วงนี้เนี่ยไอ้ไอ้พวกไอ้เอ็มบีสามอะไรนี่ก็ยิ่งแล้วอีกนะยากอีกนะฟังนี่ก็ต้องฟังรวดเดียวเลย จะย้อนกลับนี่ยากหรือถ้าเราใช้ใช้ไฟอะไรสักอย่างหนึ่งในในคอมเนี่ยก็ต้องใช้เมาส์กลับไปกลับมาเหมือนกันยากแต่ถ้าอ่านเอง่โอ้ยมันกลับมาดูได้ไอ้คำนี้เรื่องลํำลึกเนี่ยถ้าเราอ่านเองอะนะมันมีโอกาสในการที่จะลํำลึกในการที่จะลํำลึกตามอัธยาศัย มันก็ต้องมีนะครับพี่น้องโอกาสที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเองในเรื่องนี้ทํายังไงเนี่ยฟังฟังกอรีคนนี้ฟังกอรีคนนี้ต้องฝึกฝนนะฝึกฝนนะฉะนั้นผมตัดสินใจแล้วก็ปรึกษาแล้วก็เห็นผู้รู้เกือบทั่วโลกเนี่ยเวลาเขาจะฟังกอรีเนี่ย เขาจะเน้นเรื่องเสียงอ่านถูกต้องแล้วก็ทำนองไม่ต้องไม่ต้องหูหวามากอ่ะไม่ต้องเออเชฟขอ s o r ที่เราเปิดเนี่ยทำไมอะ่ะไม่ได้เน้นทำนองไม่ได้เน้นทำนองมากแล้วก็ ผู้รู้ที่เขาสอนตะยูวีทั่วโลกกนะันอยากจะเรียนรู้มักระดมักันี่คืออ่านอากัการตัว อ, กอักษรนะตะยวีเนี่ยจะเรียนรู้ยังไงนี่นฟังเชฟโฮซารีแล้วนอกจากนั้นนะ่ะที่คนส่วนมากก็ไม่รู้ที่คนส่วนมากไม่เคยสังเกตเรื่องอะไรอ่านร่าเรื่อง Al uf, อลูกูฟยุดหยุดตรงไหน ใช้ขอรีนี่ไม่ใช่ม่ชกอรีธรรมดาไม่ใช่กอรีเป็นนักอ่านธรรมดาเป็นผู้รู้เวลาเขาหยุดตรงไหนเนี่ยเขาหยุดตรงจุดที่มันครบครบความหมายอ่ะคนส่วนมากนี่ที่เขาหยุดกันนะนะหรือนักกอรีเนี่ยนักกอรีที่เสียงหูหวานนี่จะนักทํานองนี่แหละเขาหยุดกันยังไงเขาหยุดกันแล้วแต่ทานองหยุดกันแล้วแต่ หายใจลึกแค่ไหนนั่นแนหะนั่นแนหะเขาหยุดตามนั้นนะ่ะแต่เชฟคอซารีไม่ใช่นี่คนส่วนมากไม่รู้นะ่ะนักกอรีที่มีความรู้เนี่ยเขาจะเขาจะหายใจลึกตามเนื้อหาที่เขารู้ว่าต้องหยุดแค่ไหนถึงจะหยุดอ้าวแล้วถ้าแล้วถ้าแล้วถ้าเนื้อหานี่มันยาวหน่อยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจะต้องย้อนกลับมาอ่านตรงไหนตามจุด แต่กอรีคนอื่นเนี่ยเลอะเทอเะเลอะเทอะจริงๆคือไม่ไ ม, ไม่ไม่มีหลักการอะไรเลยแต่ของเจ้โซรี่นี่มีหลักการและแกเขียนหนังสือเฉพาะเลยนะอัลวกอันกุกรานเรื่องเรื่องวักฟวกแปลว่าหยุดหยุดตรงไหนอันนี้มันเป็นศาสต์ศาสต์หนึ่งในคุรานไม่รู้จะหยุดตรงไหนอ่ะอ่ะ อาบูบุญละห์ม <how to> <ourselves> ิน <Labor> อ <ator il fi> ีลชัยต <voir> ัน <famoso> อัลรดิมวลาเนต้าชับอันอับับลาโควนะวลาตักรับุสซาลาจงอย่าเข้ากาลมาดอย่าเข้าใกล้กาลมาดจบเลยลตักวันนี้อันเนี้ยจะสังเกตมีลาลเดียวห้ามหยุดลานี่ปว่าห้ามหยุด ต้อง a a ตะครับุสซาลาต์วันตุมสุการต้องยังเข้าสู่คํามาดขณะที่พวกเจ้าเมาอยู่ห้ามหยุดตรงนี้และตะครบุสลาอย่างีนี้ห้ามหยุดบาปนและมีบางจุดนี่ต้องหยุดว่าจิบต้องหยุดไม่หยุดไม่ได้ถ้าอ่านต่อนี่ก็ความหมายก็เพี้ยน <laughs> มันเป็นศาสตร์ศาตรหนึ่งอ่ะตอรีส่วนมากคนนี้ก็อ่านส่วนมากนี่ <laughs> ดูตามทำนองหายใจแค่ไหนเนี่ยก็แค่นั้นตรวจสอบตัวเองว่าฟังกอรีทุกคนให้การฟังของตัวเองเนี่ยฟังคนอื่นเนี่ยฝึกให้ฟังคุรอศานด้วยอย่าฟังทำนองอย่างเดียวแล้วคนเนี่ยเวลาฟังกอรีคนหนึ่งดูดูเา อ, อ่านเพราะไหม ไม่เพราะทิง้งหรืเพราะทิง้งเพราะอันนี้ทํานองเพรานองเขานี่มัน อ, อันนี้มันเก็ตอันนี้เข้าอเอาคนนี้ซึ้งเลยนะแล้วก็เลียนแบบตามแล้วก็เอามาอ่านอ่านรู้แล้วนี่อ๋อนี่คนนี้เขาชอบเมอร์เกลี่รู้ยังไงยังก็ดูอ่านดำเหมือนเมอร์เลี่เลยเหมือน ไม่เป็นไรนี่ไม่มีปัญหาแต่ <c oughs> ฟังคนอื่นน่ญญะแสดงว่ากูอ่านไม่มีค่าเลยเหรอเพรฟังฟังกอรีคนอื่นน่ะเขาก็ อ, อ่านกูอ่านเหมือนกันน่ะเขออาไม่ได้อ่านไบเบิลนะ่ะเออฟังคนเดียวอะ่ะซึ่งแล้วคนอื่นก็อ่านอะ่ะไม่ซึ่งอแปลว่าแปลว่านิ่ทที่ที่หัวใจ ที่หัวใจมันตื่นเต้นเนี่ยมันตื่นเต้นเพราะทำนองไม่ได้ตื่นเต้นเพราะกุเพราะตัวองค์การขออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกว่ า, า, าอาาี ذا تؤيدها ل ي ย آياته และด้วยเหตุนี้แหะครับที่อุลเลาบางคนนี่นะที่อรวมบางท่านนะบางท่านนะที่เขามีฝ้าตัวคําพูดบอกว่าเรื่องทํานองเรื่องเรียนทํานองอะไรนี่มันฮารอมมันบาตเพราะเรื่องเนี้ยที่เขากลัวกลัวว่าคนสุดท้ายเนี่ยก็จะยึดติดเรื่อง ทำนองทำไมเน่ยเพราะทรนองนี่เขาเขาเรียนละเอียดเลยนะเมื่อไรจะอ่านทํานองสวบาสวบานี่สวบานี่มันก็คือทํานองเรื่องความรักนะเวลาอ่านเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์นี่ก็ใช้สวบาแล้วก็วถ้ามีเนื้อหาที่มันเกี่ยวกับเรื่องความคึกคักนี่ก็นะฮาวันวมันเป็นศาสตร์ไง มันทำให้คนเนี่ยหัวใจของเขาเพราะเรื่องนี้เนี่ยเขาเขาเขาเขาเรียนรู้กันมาเป็นพันปีแล้วไอ้เรื่องเนียไอ้เรื่องไอ้เรื่องทำนองอุอลามาบางท่า น, นรี่ผงบอกว่าไอ้บาปแต่ทัศนาที่ถูกต้องนี่นะครับทำนองต่างๆเนี่ยถ้าเราอ่านโดยธรรมชาติเพราะบางทีเนี่ยกอรี บ, บางคนเนะี่ยไม่ไดเรียนอะไรเลยแต่ ทำนองที่ก็ออกนี่มันสอดคล้องกับเนื้อหาเฮ้ยนี่มันอ่านตามนา่าวันดี ว, าว่าเพราะไปถาเก็เอาไม่รู้นา่าวันนี่มันอะไรผมไม่รู้ผมไม่เคยเรียนไม่เคยอ่านไม่เคยเนี่ยถ้าตามธรรมชาตินี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะไปเรียนแบบว่าต้องอย่างนี้นะ่ะนา่าวันมันต้องอย่างนงี้เนี่ยพอมาถึงมัด น, นมันต้องลงไปนิดหนึง่งก็ต้องขึ้นไปนิดหนึง่งแต่ถ้าแบบนี้นะนะอันนี้อันนี้อะไรซ่า เสียเวลาจริงๆเอาไปใช้ศึกษาเรียนรู้เนะื้อหาของกุรอ่านดีกว่าแต่เรียงทำนองให้มันให้มันดูไพเราะตามธรรมชาตินะและอันนี้แหละที่อ่านตามธรรมชาติเนี่ยที่นบีดาวูดมีนบีดาวูดมีทำนองแล้วก็มีเสียงธรรมชาติที่อัลลอ์ให้มาอ่านนาบีดาวูดนะอ่านจนกระทั่ง เสียงไพเราะและทํานองของท่านนบีดาวุฒเนี่ยทำให้นกนี่มาฟังแล้วก็มาดิกมาดิกเกกับนบีดาวุฒยาดิบาลอวิบมาหัวตั้ยรู้สและอบูมูซาลชารีซาอุสของท่านนบีเนี่ยท่านก็มีเสียงและก็ทํานองธรรมชาตินะอ่านแล้วทำให้ท่านนบีชอบนะจนกระทั่งนบีบอกว่าเหลัดอูดีเตมิซมารนมินมาซามีรดาวุฒ เจ้าเนี่ยได้มีมิสมาร์มิสมาร์ไปว่าเครื่องเป่าแต่ น, นี่เป็นสำนวนหมายถึงว่าท่านเนี่ยมีทำนองมีน้ำเสียงเหมือนน้ำเสียงหนึ่งของนบีดาวุฒชอบนบีชอบและอบูมูซาตอบท่านเนย ว, ว่าถ้าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเฝ้าฟังอยู่นะ กำลังฟังอยู่นะล้วบตูและกะตะบีรอข่าเจ้าจะจะ من, อ่านให้แม่นกว่านี้อีกก็แสดงว่าอ่านอ่านด้วยธรรมชาตินะเพราะอบูมูซาลชารีเป็นเป็นชาวอีเมนมาจากเผ่าอชารีนเผ่ายิเมนเนี่ยเป็นเผ่าชนาบุตรไม่ได้เรียนดนตรีไม่ได้อะไรเลยธรรมชาติ แล้วคนยีเมนส่วนมากเนี่ยเสียงเขาในเสียงแหลมคนยีเมนน่ะนะเสียงแหลมเสียงไพเราะเสียงเสียงเขาไพเราะเสียงเขาไม่ไม่ไม่นักร้องส่วนมากอนะที่ประทอาหรับมันเป็นคนยีเมนะเสียงเขาไพเราะจริงๆแต่ฮูสเลาชันนี่เป็นชาวชนบทเขาไม่ได้เรียนดนตรีไม่ได้เรียนอะไรแสดงว่าธรรมชาติอะแสดงว่าไม่ไดเรียนดนตรีเนี่ยไม่ไม่ไดเรียนทํานอง เขาเรกกันอัลมากรมัดนะบารักเรียกมากอมมากรมไม่ไม่ไม่ได้เรียนมากอมไม่ได้เรียนทํานองอะนะไม่ใช่มากอมมากอมเพรไอทํานองต่างๆเขาเรียกกันมากอมมากอมซอบามากอมนะฮาวันอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่ได้เรียนพวกนี้นะก็ไม่เป็นไะแต่ถ้าตั้งใจไปเรียนนะนะจะได้ให้กูอ่านไพเราะเพราะเพราะการเรียน ดนตรีแล้วก็พวกมากอม่อนพวกทํานองนี่นะอ่าอะไรสาระอะไราสาระ <c oughs> ทั้งตรวจสอบอ่ะที่เราได้ฟังกอรีคนนูน้นกอรีคนนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ฝึกฝึกตรวจตัวเองด้วยว่าตัวเองในตอนอ่านนะตัวเราเองอ่ะตอนอ่านนะเราได้มีไหมอ่านแล้วก็ทราบเสียงไหมอ่านแล้วก็มีขอ้อเสียไหมอ่านแล้วก็หัวใจ หัวใจมันมีมีผลไหมผลที่เราจะรู้เนี่ยจะวัดเนี่ยตรงไหนอัลลอฮบอกว่าซา uh um เดทุมอีมาเรามานั่งคิดแล้วก็ซาเดทุมอีมาเน่ะเพิ่มความศรัทธามันจะวัดยังไงอะวัดการเพิ่มพูนอีมาในหัวใจนี่ ในสามในสามกรณีกรณีแรกเนี่ยวัดตอนอ่านมันจะรู้สึกว่าอม م า ن เพิ่มยังไงอะ่ะมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าอีมานมันเพิ่มตอนที่อ่านมันมีสัญญาณที่สัมผัสได้สัญญาณที่สัมผัสได้ หนึ่งคนลุกไม่มีหรอกอ่านฟังอะไรไม่เรื่องแล้วคนลุกอันนี้เป็นโรคจิตคือคือถ้าอ่านอะไรแล้วก็ไม่เรื่องแล้วก็อยู่คนลุกอันนี้โรคผิวแต่ถ้าหากว่าอ่านแล้วก็ได้ได้ซึ้งในความหมายแล้วคนลุกนั่นนี่เนี้ย สัมผัสได้ว่าเนี่ยอันนี้อิบาดมันเพิ่มสองน้ำตาหลั่งไหลน้ำตาหลั่งไหลสามหัวใจตื่นเต้น ม, มีมมีเพราะอ่านแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าโอ้เนื้อหาที่มันซาบซึ้งมากจะรู้สึกว่าหัวใจมันตุบตบตุ บ, ต, บตื่นเต้นหมายถึงว่าหัวใจจังหวะหัวใจเนี่ย มันมันเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้สัมผัสได้เช่นอ่านอายะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่อัลลอ์ตอบแทนในบุษธาหัวตื่นเต้นอัลลอ์ตอบแทนเราขนาดนั้นเลยดีใจตัวเราเองอะนะเวลาได้อะไรในโลกดุนยานี่เนี่ยหัวใจตื่นเต้นมหมถูกหวยอย่างเนี่ยบางคนถึงขั้นเยหัวใจวายเลย ใช่ไหมมีคนเอาฮาดีย์ามาให้เนี่โอ้โหนาฬิกาฮ า, าดีย์รถยนต์ไม้คันยังไงอย่างเงี้ยเป็นยังไงโอ้โหทั้งทั้งร้องไห้ทั้งหัวใจทั้งนี่นี่ก็เหมือนกันบางทีเนี่ยเราอ่าน <c oughs> อุลมามะเ์าบอกว่าเตรจยมซูลิฮะดายละลฮย พิลกุรอานจงเตรียมตัวรับฮาดียะรับรางวัลจากอัลลอฮ์ตอนอ่านกุรอานเพราะในขณะที่เราอ่านเนี่ยอัลลอฮ์จะมีฮาดียะส่งให้เรายิ่งซึ้งซึ้งในกุรอานแค่ไหนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีอัลลอฮ์มีฮาดิยะส่งมาส่งมานี่แล้วก็ฮาดียะตอนมาเนี่ยหัวใจมันจะตื่นเต้นได้ฮาดียะมาดได้ฮาดียะมาฮาดียะรู้ รู้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้ซึ่งซึ่งในเนื้อหาที่เราไม่เคยรู้ทั้งหมดนี่มันสัมผัสได้แต่มีบางอย่างที่มันสัมผัสไม่ได้ขณะอ่านนะเราบอกว่ามันมีสามเคสนะตอนอ่าน <c oughs> ตอนอ่านนี่มีอะไรที่สัมผัสและมีอะไรที่สัมผัสไม่ได้แต่รู้ยังไงอ่ะไม่รู้แต่จะรู้สึกว่ามันมีพลัง อะไรที่มันเป็นสัญญาไม่มีไม่มีไม่ ม, ม, ม, ม, มีอะไรที่สัมผัสได้แต่เรารู้อะโอโมันเหมือนมีพลังอ่ะอัลลอฮ์สั่งให้ทัานทำอะไรเดี๋ยวนี้เลยสั่งเดี๋ยวนี้เลยท่านทำเลยดีมถ้าเป็นแบบนี้ๆี่เนี่ย ز ا د ت ه م إ ซอฮ า, า, าบะของนบีนตะกอนนนน ะ, ะส่วนมากเขาเป็นแบบนี้ ที่เขาเป็นสหาบะที่อัลลอฮ์เลือกสาวกนบีเนี่ยเพราะส่วนมากเขาเป็นแบบนี้ขนาะอ่านเลยตอนอ่านเลยมันจะมีพลังเกิดขึ้นดันทีฉะนั้นนบีไม่ต้องแช่อะไรมากกับสหาบะอ่านกุรอ่านอย่างเดียวนี่เก็ตแล้วอ่านกุรอ่านอย่างเดียวนี่เข้าใจแล้วไม่ต้อง ไม่ต้องเข้าโรงเรียนอบรมขัดเกลา้าเป็นเดือนเป็นปีจะได้เป็นคนดีไม่ใช่สหฮาบะบางคนนี่มาอยู่กับท่านนาบีสิบวันอาทิตย์หนึ่งกลับไปในี่เป็นดาีแล้วอามูบลุตุไฟัยนี่มาม า, าท่านนาบีสลลอฮฺอะลัยฮิลมที่มักกะได้รับจากท่านนาบีนี่ซุรอดเดียวกลับไปเขาเป็นผู้ใหญ่ในเผ่าเดส ดาวสเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ซาอุดีแต่เดิมนี่มันอยู่ในอาณาเขตของยิเมเนนเป็นเมืองของท่านอาบูไรรอตัวไฟล์เนี่ยคนเดียวนะ <c oughs> เป็นผู้ใหญ่เป็นคนเป็นผู้นำในสังคมอะเข้าไปทำฮัทพอเข้ามาตกลแล้วเนี่ยชาวกุเรชวก็นี่มาแล้วผู้นำเผ่าเดลสคนใหญ่เป็นเจ้าเมืองคนนึ่งอะ อย่าให้อย่าให้มูฮัมมัดเนี่ไปเชิญชวนอิสลามมา ย, ยุ่งเลยนะเขาง็ว่าย่างนี้มาดิมาดิมาดิมา ด, ด, ด, ดิตัวเองนี่ถ้างลังตะว่าฟ์นะระวังเนี่ยมีอยู่คนหนึงเป็นลูกหลานเราเนี่ชื่อมูฮัมมัดนะนี่นักเสศาตร์เขาเป่าคนที่โดนเป่านี่เขาจะเขาจะบ้าเลยเขาจะเขาจะเหมือนผีเข้าเลยให้ระวังเแล้วฉันทายัางไงอ่ะเอาสําลีอุด เราสำลีอุดูแล้วก็ไปตะวฟัฟท่านนาบีนั่งนั่งอยู่หน้ากาบ้านนี่อ่านกุรานอ่านอย่างเดี้ยวก็ตะวัฟรอบแรกนี่มองท่านนาบีไม่ใิท่าทางของนักสยศาสตร์ไม่ใช่หมอดูสัทีเนี่ยให้เราก็รู้นะพวกหมอดูนี่มันจะเป็นยังไงตะวาฟมาอีกรอบนึงไม่ใช่เราเนี่ยเป็นชาวอาหรับที่รู้เรื่องอะนะเราไป เราไปฟังพวกกุริชนี่ได้ไงอ่ะเอาสำลีออกฟังแอบฟังท่านนาบีกำลังเดินตะวาฟอยู่นะฟังนบีแค่นั้นแหละว่ามาตะวาฟรอบที่สามอ ะ, ะทนไม่ไหวทอดอีกข้างหนึ่งนั่งนั่งกับนบีเป็นขาตัวเองก็เป็นใครอ่ะผมเป็นอัสซูลมาจากอัลลอฮ์มีอะไรอ่ะกูอ่านสอนรบอิสลามเลย ได้เรื่องเลยอามรุนทุฟาเนี่ไปหาชาวกูเรชนี่ชาวกูเรชบอกว่านี่สีหน้านี่นะโดนโดนมุฮัมมัดนะโดนเป่าแล้วเขากลับไปเผาเดลส์นะเจ็ดปีเจ็ดปี เผ่าดาวของเขาเนี่ยรับอิสลามทั้งเผ่าเลยหนึ่งในผลงานของเขาเนี่อบูไรรอหนึ่งในผลงานของเขาเนี่อบูไรรอนี่แสดงว่าแสดงว่าคือตัวคุรอ่านเนี่ยมีเคล็ดลับในคุรอา่านมันมีเคล็ดลับในทำนองนะ <c oughs> ฉะนั้นแล้เราอ่านแล้วก็เพิ่มพูดอีมานมันยังไงอะอ่าน อ่านเรื่อยๆแล้วเดยวเองก็จะรู้แต่เ น, เ น, เน้นเความหมายนะถ้าเน้นความหมายเนี่ยเดวเองก็จะเห็นอ่านบางอายาัมันมันสร้างพลังสร้างพลังนี่นี่แหละก็คือจะเอาหลักฐานมายืนยันรวยยังไงเพิ่อ إ ي ไม่รู้แหละแต่มันรู้สึกว่า إ ي ม ا ن มันขึ้นอ่านแล้ว إ ي ม ا ن มันขึ้นแล้วจะรู้สึก إ ي م าม น, ขนขึ้นขึ้นยังไงอ่ะ ระดับที่สองหลังจากอ่านแล้วอ่านไปแล้วตอนที่อ่านนะนะยังไม่รู้สึกว่าอิมัลขึ้นแต่จะมารู้สึกที่หลังรู้สึกที่หลังจากอะไรอะ่ะจากพฤติกรรมคนที่อ่านกุร์รนบ่อยเนี่ยกุรา์านกุร์านจะทำให้มีผลต่อวิถีชีวิตของเขา จะเห็นเราก็จะปิดสังเกต <c oughs> อ่านกูดอ่านสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเราทำบาปไม่เยอะแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ค่อยกล้าทำบาปละเวลาทำบาปก็ระวังละอะไรแบบเนี้ยทำความดีทำไอบาได้เยอะแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นผลจากอะไรอ่ะจากการตุเลียตายไรหิมอะไรตัเมื่อองค์การหัวรถถูก อ่านให้เขาเนี่ยอิมันจะเพิ่มจะจะไม่รู้สึกรู้สึกเมื่อไหร่อ่ะรู้สึกในพฤติกรรมที่หลังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมา <c oughs> สามในเหตุการณ์ต่างๆ <c oughs> เหตุการณ์ที่อัลลอสุฮาหวะดาลาทดสอบบรรดาผู้ศัทธาเราจะเห็นว่ากุรอ่านเนี่ยที่เราได้อ่านหรือเมื่อถูกถูกอ่านแล้ว มันมีผลกับเราในเหตุการ์ต่างๆเหตุการ์ที่อัลลอ์ต้องการพิสูจน์ผู้ศรัทธาเมื่อไรตรงไหนนี่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แต่จะรู้แหละว่าเหตุการ์นี้พฤติกรรมของเราการกระทําของเราที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลจากเป็นไปไม่ได้ที่เราจะ ทำอะไรที่อัลลอฮ์สุภาหนหัวไลพอพระทัยที่อัลลอฮ์โปรดปรานเนี่ยด้วยตัวเองไม่ได้อ่านกุตอ่านไว้เป็นใปไม่ได้มันต้องมีอะไรที่มาจากการอ่านกุรอ่านมากกว่านะครับผมจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสัลลออาลานบีนะมุฮัมมัดุ์ละอัลีะ صحبه แะสัลลามุอะลัยคุมวะราะห์มตุลลอฮ